วันนี้เป็นวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2555ปีนิพพะที่แสดงความจำนงที่จะบวชในพรรษาที่เป็นนาค ก, ก็มาแสดงความจำนงเรื่อยๆอยู่ก็คิดว่าทุกปีที่ผ่านมาก็พระนว ก, กะที่พวกเรารับก็ประมาณสักสิบรูปบางทีก็เกินไปบ้าง แต่ก็ไม่ถึง15รูปประมาณ10บรูปแต่ตาไม่จริงก็พอเหมาะถ้าพระนวกะมากกว่าพระเก่าพระเก่าก็ควบคุมไม่อยู่เหมือนกันนะแต่พระนวกะต้องน้อยกว่าพระเก่าพระเก่าจะได้ดูแลจะได้อยู่ในกฎระเบียบถ้าหากว่าพระนวกะมากมากกบางทีก็พาทะเลถลายเหมือนกัน ที่แรกก็เป็นผู้ตั้งใจแต่พอต่อมาพออยู่ไปนานๆเข้าเดือนสองเดือนเข้าไปแล้วก็ออกลายอย่างพูดง่ายๆเคยเป็นคราวาสมาอย่างไรก็ความสะดวกสบายอย่างไรกฎระเบียบของวินยัยของพระเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นวินายของพระเนี่ ย, ยต้องเข้มงวดอยู่ในกรอบหากว่าออกจากกรอบมันเคยออกไปแล้วเนี่ย มันจะทะเลทถลายและท่นี้ราะนั้นพระที่บวชก่อนที่ได้รับการศึกษาดีแล้วควรจะเป็นหลักให้พระนวกะนิพพาบวชใหม่ไม่ใช่ว่าจะให้พระบวชใหม่พาไปยังไงดึงถูไถไปพระเก่าก็เผลอเสียไปด้วยเสียกฎน่าเบียบเสียขนมธรรมเนียมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินทั้งที่ได้รับการอบรมจาก ครูบาอาจารย์จากหลวงพ่อพูดรังไงหลวงพ่อแนะนำสั่งสอนอย่างไรให้อยู่ในกฎอยู่ในระเบียบอย่างไรพอต่อไปแล้วก็ทะเลถลัยอันนี้ไม่ดีแล้วก็เป็นพระจะต้องอยู่ในเมตตาอยู่ในอารมณ์ที่มีความเมตตามีน้ําใจมีเมตตาต่อกันอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนา ผู้ที่จะเข้ามาบวชหรือ ว, ว่าดำรงในการบวชเนี่ยที่หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกไว้เลยแต่นำมาพิจารณาดูแล้วอืมมีเหตุผลสารานิยธรรมทาเป็นเครื่องอยู่ของพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันทําอย่างไรเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนภิกษุสมัมเณรทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือช่วยขนขหวยช่วยทากิจโทรละที่สงหรือว่าภิกษุสมเณีนในกลุ่มนั้นจะต้องทาเช่นช่วยพยาบาลภิกษุไขเป็นต้นหรือทากิจร่วมกันโดยทาด้วยจิตเมตตาเข้าไปตั้งวจีกรรมคือแนะนำสั่งสอนพระเนนที่ไม่รู้หลักพระธรรมวินัยแล้วก็ไปบอกกล่าวด้วยจิตเมตตาไม่ได้พูดดูถูกเหยียดยามคะแนนคแนน คือพูดด้วยเมตตาสั่งสอนอยากจะให้พระที่เข้ามาศึกษานั้นเข้าใจในหลักพระธรรมวินัยกล่าวสอนด้วยวาจาด้วยจิตเมตตาเข้าไปตั้งมนโนกรรมในเพื่อนภิกษุสัมมาเนรทั้งต่อหน้าและรับหลังคิดขนขวายอยากจะให้ภิกษุสัมมาเนนที่อยู่ด้วยกันมีแต่วความผาสุกไม่ได้คิดพยาบาทอาฆาตต่อกันแล้วก็รักษาศีลให้เสมอ เพื่นภิกษุสมณีอื่นให้เขาวรกษาศินอย่าให้องค์อื่นตำหนิเราได้ว่าเราเป็นผู้ยอ่อหย่อนในศินในวินัยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งถ้ายอ่ยอหย่อนในศินปู่พระสงฆ์ก็ดูถูกเข้ากันไม่ได้อันนี้ก็อย่าให้เป็นผู้ยอ่อหย่อนในศินในวินัยแล้วก็มีความเห็นเสมอเหมือนภิกษุสมณีอื่น ใช่ไหว่ามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจแสวงหาทางพ้นทุกเท่านั้นไม่ได้คิดแสวงหาลาบยศสนะเสริญที่ทำให้หมู่พวกเพื่อนเดือดร้อนมีความทุกกับเราที่เรามีความคิดออกนอกรูกนอกทางแล้วก็แบ่งปันลาบที่ตนได้มาโดยชอบทำให้แกเพื่อนภิกษุสัมมาเนงที่อยู่ด้วยกันไม่หวงไว้บริโภคเฉพาะผู้เดียว ไอ้ข้าวใดาลาบอติเลก็ลาบมากกับแบ่งปันเกือแพ่กันอันนี้แหละการอยู่ด้วยกันมากน้อยก็จะมีแต่ความ ร, รมเย็นผาสุขแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีสารานิยธรรมทํําทาเป็นเครื่องอยู่ด้วยกันนั่นจะหาความสงบหาความผาสุขไม่ได้มี6ประการเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาวจีคือคํำพูด เข้าไปตั้งมนโนกรรมคือความคิดประกอบด้วยเมตตามีศีลเสมอกันกับพิจุสามเนินอื่นและก็มีความเห็นเสมอกันกับเพื่อนพิกษุสำมเนินอื่นและก็แบ่งปันสิ่งของคือลาบสักระที่ได้มาโดยชอบธรรมให้แกเพื่อนพิกษุสำมเนินอื่นอันนี้แหละสารานิยธรรมถ้าทําได้อย่างนี้มีแต่ความผาสุกการอยู่ด้วยกันนี่ละคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเรานํามา พิจารณามากันกรองไตรต้องด้วยเหตุและผลแล้วพระพุทธเจ้าจึงคิดได้อย่างไงท่านจึงนําพระธรรมคําสอนอันออกมาประกาศเผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ศึกษาได้นํามาปฏิบัติถ้าพวกเรานํามาปฏิบัติก็ยังมีความสมัมกขีในหมู่ในคณะในหมู่ในเพื่อนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัส ท, ท่านสอนไว้จริงถ้าว่าพวกเรามีแต่ความอิดชาคิดอิดชักการกระทํำก็ ไม่ไปในธรรมนองกองธรรมอิจฉานะการพูดก็อิจฉาเนะี่ยอมีแต่มองแต่โทษคนอื่นนะมองแต่คนอื่นไปในทางที่ไม่ดีนะแด้จากเราคิดดูให้ดีกันแล้วกันว่าจะหาความสุขได้ที่ไหนนะเพราะนั้นพระในครั้งพระพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์บอกนะการที่มีความโกรธอยู่ในจิตใจไม่เป็นผลดี สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าปลารถภิกษุองค์หนึ่งพาภิกษุบ้านนอกท่านจะเดินทางเข้ามากราบพระพุทธเจ้าที่กรุงสวัสดีวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารแต่ท่านก็เดินมาทางมามาถึงแม่น้าอจิรวดีน้ำก็มันก็มากได้จะมาถึงกรุงสวัสดีแต่ก็มันก็ค่ำแล้วแต่เนี่ยพอค่าตอนสี่ห้าโมงเย็นแล้ว ก็เลยขอร้องให้นายเรือแก้วเรือนโอ้โยมพาอาตมาไปข้ามฝากโดยเธออาตมาอยากจะไปกราบพระพุทธเจ้าให้ทันการประชุมตอนเย็นไปฟังธรรมท่านอโยมแก้วเรือนเอ้ยท่านมันคําแล้วไปไม่ได้หรอกพาไปสักช่วงข้าวไม่ได้แล้วมันก็ยังไม่ค้ำหรอกพอไปได้ยุทําไมพูดยากนะพระเนี่ย นายเจียวเรือนขี่โมโหงั้นจากนั้นก็ไปไปทาจะไปเขาไปพระก็ดีใจให้พอไปแล้วเถนี่พอไปกลางถึงกลางแม่น้ำเลยพายเรือโค้งไปเค่งมาโค้งไปเค่งมาแค่แค่บมดแกล้งพระตรงนั้นเอยโมโหให้พระทำไมยุ่งเหยิงวุ่นวายพระนี่ลักษณะอย่างนั้นเอาไปบาดเกือบตกน้ำเหมือนงั้น่ะทั้งบาด ท, ทั้งจีวรโคง้งไปน้ํากระชอกเข้าไปในเรือผ้าเปียกมั นนกับบาทเออเต็มอย่างนั้นก็มีได้คนในครั้งพุท ธ, ธกาลนะไม่ใช่จะมีแต่คนดีอย่างเดียวนะคนเลวๆก็มีอย่างนั้นมีเหมือนกันท่นนี้นก็พอไปถึงพระนั้นก็ข้ามฝั่งได้เรือไม่ล่มพอข้ามฝั่งไปแล้วก็ขึ้นไปจะไปกราบพระพุท ธ, ธเจ้าก็ไม่ได้แต่ผ้าจีวรมันเปียกเลก็เลยไปจัดท่าที่พักแต่กระตากผ้าจีวรจนถึงลุ่งเช้าพอลุงเช้าพระพุทธองค์ไปบินนบาทกลับมาแล้ว พระพุทธองค์ก็ออกมาที่ศาลาพระองค์นี้ก็เลยเข้าไปกราบพร้อมกับพระสงฆ์ส่วนอื่นแต่พระพุทธองค์ท่านก็มองเห็นเออท่านมาจากไหนเนี่ยมาจากทางบ้านนอกไปเจ้าข้ามาเมื่อไหร่มาแต่เมื่อวานนี่ไปเจ้าข่าอา้ามาแต่เมื่อวานนี้ทาไมไม่เข้ามาพึ่งเข้ามาหาเราในวันนี้เหรอเนี่ยพระองค์นั้นก็บอกว่า อยากจะเข้ามาอยู่แต่ว่านั่งเรือมานะ่นะพวกคนแจวเรือนพายโครงไปโครงมาจนผ้าจีวร อ, อะไรเปียกไปหมดกระผมก็เลยได้พักชก่อนเพื่อตากผ้าให้แห้งพระพุทธองค์บอกว่าเนี่ยนายแจวเรือคนนีนะ้ทำให้ท่านทุกข์ใจมาแล้วนะนายแจวเรือคนนี้นิสัยไม่ดีแต่ในอดีตชาติ พระสงฆ์ท่านเลยกราบทูลพระพุทธเจ้าสมัยไหนพระเจ้าค่าท่านก็กราบพระองค์ก็เลยบอกว่าสมัยหนึ่งมีลือีอยู่ในป่าอยู่ในป่าแล้วเขาเข้ามาบิณทบาทในกรุงพาราทศีพอมาบินทบาตแล้วพระเจ้าแผ่นนินเห็นเกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสยอย่างมากก็เลยกราบประทานาให้หลือีนั่งอยู่ในอุทยานนั้นพอลือศีก็อยู่ในอุทยานนั้นแต่ พระเจ้าไปดิ น, นก็ไปกราบลือีไปฟังธรรมเทศนาของรือสีรือสีท่านก็เทศให้ฟังเทศให้พราชาฟังว่ามหาบพิษมหาบพิษเป็นใหญ่ในแผ่นดินควรจะมีเมตตากรุณามุทิตาต่อประศพนิกรทั้งหลายทั้งปวงให้มีเมตตาพระองค์จะเสด็จไปในปา่าในดงในหมู่บ้านในชนบทไหนคนในชนบทนั้นเขาก็จะแสดงความเคารพ รักในพระเจ้าแผ่นดินด้วยความจงรักภักดีเพราะนั้นพระองค์อยากก่าโกรธอย่าใช้อารมณ์โกรธต่อพระศพนิกกรของพระองค์ให้มีกรุณามุติตาต่อพระสพนิกกรให้มีเมตตาเป็นหลักพระองค์จะมีแต่ความฝาสุขมีแต่ความเจริญในการบริหารราชการแผ่นดินอันนี้ก็คือดาบทแสดงธรรมพระเจ้าแผ่นดินก็เออใช่ ก็เลยถวายบ้านสวยคือถวายบ้านถวายที่ดินถวายให้แก่ฤาษีเพื่อเป็นการเทศฤาษีก็บอกว่ารับอาตมาภาพรับแต่อาตมาขอส่งถวายพระองค์คืนเพราะอาะอตมาเป็นนักพรตนักปวดอาตมาไม่รับอาตมาขอเป็นนักพรตอยู่อย่างนี้ตลอดไปจะไม่ขอรับเรื่องบ้านสวยหรือว่าบัวควายลูกน้องบริวารอะไรทั้งหมดขาถวายคืน จากนั้นท่านก็อยู่ในอุทยานต่อไปพออยู่ได้สิบสองปีใชจากนั้นท่านก็ออกไปอยู่ออกไปข้างนอกออกไปเที่ยวข้างนอกแล้วจะกลับมาที่หลังเพราะออกมากันเนี่ยแหละมาเห็นนายเรืออย่างที่คราวนี้แหละนายเรือคนเก่าในชาตินั้นเหมือนั้นเออพอมาแล้วก็ตือสีเนี่ยก็บอกว่าท่านในเรืออัตมาเป็นนาบทจิตใจจะข้ามฟากพอจะอนุเคราะห์ได้ไหม ทางนายเรือเนี่ยก็บอกว่าได้ท่านจะไปก็ไปท่าวจะพาไปแต่นายเรือเนี่ยไม่ได้ถามเอาค่าจ้างก่อนไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อนพอนายเรื อ, น, อนี่นแสดงว่าปั๊มปั๊ ม, ปมเปอเปอรลักษณะอย่างนั้นอ่ะพอไปถึงแล้วก็ทะเลาะ ก, กับคนตลอดท่านจะให้ไปเข้าไปท่านจะสงท่านจะไปก็ไปเขาก็ไม่ได้ถามว่าค่าจ้างค่าเรือเท่าไหร่ตือศรีนี่ก็ถือใจซื่ออีกเหมือนกัน ว่าเขาจะพาไปแล้วจะออกไปพอเขาพาข้ามไปพอในพอข้ามไปจบแล้วเนี่ยท่านกระถามฤาษีท่านจะให้ค่าจ้างผมเท่าไหร่ผมค่าจ้างผมมีเตอนนี้นเอา้าวทำไมนายเรือไม่เรียกค่าจ้างก่อนก่อนที่เขาจะขึ้นเรือถ้าคนมาข้ามฝากแล้วจิตใจของเขาจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะต่อไปนี้ให้ท่านนายเรือนายจ้างเนะี่ยให้พูดก่อ น, นก่อนที่คนจะขึ้นเรือ เนี่ยแล้ราขอคนมาถึงขึ้นฝากแล้วเน่ะเก็บค่าเรือก่อนมาถึงค่านี้ยังค่อยเก็บพรตกลงกันไปแล้วอันนี้ท่านไม่ได้พูดอะไรเลยมาสง่งอาตมาแล้วก็จะมาเก็บค่าเรือแต่อาตมาก็ยินดีแต่อาตมาไม่มีเงินนะนี่ยแหละเอาคําสอนเนี่ยแหละทดแทนค่าเรือของคนนายเรือบอกเอ้ยคําพูดอย่างนี้มันน่าจะพูดก่อนท่านมาพูดทีหลัง แล้วจะมาเป็นค่าจ้างผมได้ยังไงผมไม่เอาจะแสดงว่าท่านเบี้ยวค่าเรือผมแล้วนี่นายเรือโมโหขึ้นมาเลยทั้งฤาษีนี่ก็เอาทำคำสอนที่เคยสอนพระราชามาก่อนไลยบอกว่านายเรือท่านจะอยู่ณสถานที่ใดก็าตามท่านต้องเป็นคนดีท่านอย่าใช้ความโกรธต่อคู่คนทั้งหลายท้าว่าท่านใช้เมตตากรุณามุ้ทิตาต่อคู่คนทั้งหลาย มาขึ้นเรือของท่านท่านจะมีแต่ความเจริญเพราะท่านมีน้ำใจแต่มีเมตตาแล้วก็พูดก่อนคนเขาจะขึ้นเรือนั่นแหละคนทั้งหลายจะใช้เรือของคุณถางแกวเรือกันเอานี่เหลือเป็นเงินค่าทดแทนค่าเรือของผมหรือสีว่าใช่พอพูดเท่านั้นอแกวเรือผมโมโหมาตบปากเรือสีเออปวดนี่จุดก็เลยไปคนละทิศคนละทางไงนี่แหละ พระพุทธองค์ก็เลยบอกว่านี่นะนายแกวเรือคนนะั่นเอามาเป็นแกวเรือคนนี่แหละที่ให้ท่านลําบากในชาตินี้ลักษณะนี้แหละนายแกวเรือคนนี้นิสัยไม่ดีติดพพติดชาติมาแต่ตามไม่จริงการที่จะกล่าวแนะนําสั่งสอนคู่คนต้องดูเจ ก, ก่อนถ้าหากว่าเราใช้คําพูดอันเดียวคําพูดคํานั้นแหละเอามาพูดในสถานที่แห่งหนึ่งอย่างฤาษีประเทศให้พระลายชาฟัง พระราชาก็ถวายการเทศบูชาคาชาําพูดนั้นเป็นบ้านสวยคิดมาแล้วก็หลายล้านอยู่ได้สบายแต่ท่านฤาษีไม่รับแต่พอมาพูดให้นายแก้วเรือคําพูดอันเดียวกันกับพูดกับพระราชาฤาษีก็ถูกตกปะอันนี้ให้พวกท่านทั้งหลายต้องคิดการที่จะพูดกับผู้คนกลุ่มใดให้ดูซะก่อนว่า ควรจะพูดอย่างไรจึงจะเป็นมงคลกับคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ว่าจะพูดเอาคำพูดที่เคยพูดมาก่อนที่ได้รับผลเอามาพูดให้แก่นักเยงอันตพานฟังท่านก็โดนตกปากโดนฝ่ามือเขาตกปากอย่างที่ลือศีกับนายจ้างนั้นและก็พร้อมกันการที่ความโกรธของนายเรือนั้นพอตกปากเสร็จแล้วก็ตบ เมีอยอีกผลที่สุดก็เลยเขาก็เลยจับไปส่งพระราชาก็เลยเข้าคุกเ่ติดคุกติดตารางต่อไปนี่แหละนายเหลือที่ใช้ความโกรธก็ไม่เป็นผลดีผมัึงของให้ท่านพวกท่านทั้งหลายอย่ามีความโกรธและพอการพูดกับคนก็เห็นรู้จักการสถานที่บุคคลควรจะพูดกับบุคคลเช่นไรจรึงจะเกิดประโยชน์การพูดกับบุคคลเช่นไรจะเป็นโทษคําพูดมันให้ทั้งโทษให้ทั้งคุณด้วย อันนี้แนหะคือทมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านพูดในชาดกหลวงพ่อได้อ่านได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็อมืมีประโยชน์ในการที่จะพูดณนะสถานที่แห่งใดก็ต้องมองดูคนก่อนเขาจะรับได้มากน้อยแค่ไหนเพราะนะั้นหลวงตามหาบัวนะี่ท่านก็นเคยพูดนะปะัญหการที่จะแสดงธรรมและการที่จะเทศให้ใครฟังเราต้องกวาดสายตาดูก่อนว่า คนกลุ่มนี้จะรับธรรมะได้ในระดับไหนถ้าเขาเป็นชาวบ้านธรรมดาท่านก็พูดธรรมะธรรมดาเป็นเรื่องอะไรที่ชาวบ้านเขาเต็กจะเรียนรู้จะรู้ได้แต่ถ้าว่าผู้ปฏิบัติเป็นเขาวเป็นชีเป็นนักบวชที่เขามาปฏิบัติเราก็จะต้องพูดเึงสมาธิศีล ส, สมาธิปัญญาให้แก่เขาได้ศึกษามันจึงจะเกิดประโยชน์ เพราะนั้นการที่จะพูดและการที่จะแสดงธรรมให้แก่คู่คนฟังต้องมองดูคู่คนในกลุ่มนั้นซะก่อนไม่ใช่ว่าพูดธรรมะลึกๆเข้าไปเขาก็ไม่เข้าใจมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้ า, าว่าคนที่มาปฏิบัติธรรมเราจะไปพูดธรรมะแบบผิวเผินให้เขาฟังเขาก็ฟังไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละแบบไม่ถึงใจไม่ได้รับการศึกษาที่ดีเพราะนั้นการที่จะแสดง ด้วยการที่จะพูดต้องได้คิดไว้พู้ที่จะเทศผู้ที่จะแสดงธรรมและก็พระพุทธองค์ก็เหมือนกันนีพระพุทธเจ้าก่อนที่จะขึ้นธรรมมัณ์ที่ประกาศธรรมหรือแสดงธรรมพระองค์ก็มองกวาดนพระเนตพระกันของพระองค์มองดูวักพุทธบริษัทที่จะมาฟังเทศในวันนี้ใครบ้างจะได้สาเร็จพระสูดา พระกทาคาพระนาคาพระอรหันมีไหมในชุมชนที่จะเทศในวันนี้นพระ อ, องค์ก็กวาดยานทัศนะคือกวาดเลดาส่องรูหมดเลยพอเสร็จแล้วพระ อ, องค์ก็จะเอาธรรมะอันไหนที่จะมาเทศในวันนี้แต่บางทีท่านกเทศเจาะจงเฉพาะคนคนเดียวนะนแต่คนอื่นก็ฟังไปอย่างนั้นที่พระองค์เทศไม่เข้าใจแต่คนที่ท่านเจาะจงให้ฟังเขาเข้าใจหมดทุกอย่างเลย เนื้อหาสารธรรมะในวันนั้นจนเขาได้สําเร็จเป็นพระรหันต์แต่คนอื่นฟังกัฟังไปอย่างนั้นแต่คนนั้นฟังถึงใจได้บรรลุธรรมเนี่แหละอันนี้ก็คือในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วเราจะได้ยินได้ฟังในธรรมคําสอนสรุปแล้วก็คือกาลเทสบุคคลการสถานที่บุคคลควรจะทํำยังไง ควรจะโพดยังไงควรจะแสดงอย่างไรจึงจะถูกต้องถ้าเราทำถูกการสถานที่บุคคลคือการใช้ปัญญาในเรื่องราวในชุมชนในสังคมนั้ น, น, นความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายตลอดไปอันนี้คือทำคำสอนเป็นกระจกเงาอันหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับให้พวกเราได้ศึกษาน ะ, ะต่อนนี้ไปลับ